สาวที่ชานฉลาดกาลครั้งหนึ่งนานมันแล้วในอนาณาจักรที่ห่างไกลมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่กระท่อมเล็กๆเขายากจนมากๆและคงเป็นเรื่องราวน่าเศร้าถ้าเขาไม่มีลูกสาวเลล่าเธอเป็นสาวที่สดใสร่าเริงและชานฉลาดเช่นเดียวกับหน้าตาที่ส飒 ส, สวยของเธอในแต่ละวันพวกเขาจะเดินทางไปยังตลาดเพื่อขอทานแต่พวกเขาแทบจะไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ ในบางคืนพวกเขาก็รู้สึกหิวโหวยในคืนหนึ่งชายชรานั่งมองลูกสาวอย่างเศร้าใจในขณะที่เธอกำลังฮําเพลงลูกรักพ่อขอโทษเจ้ามากที่ต้องมีชีวิตที่ยากลำบากแบบนี้พ่อหวังว่าจะมอบให้เจ้าได้มากกว่านี้ไม่ต้องห่วงพ่อหนูมีความสุขกับสิ่งที่พ่อมอบให้และอาหารคืนนี้มานบช่างมันเถอะ พรุ่งนี้หนูจะพยายามมากขึ้นแต่ชายชรายังรู้สึกเสียใจเขารักลูกสาวของเขามากและอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีที่สุดเขานอนไม่หลับทั้งคืนและคิดว่าจะทำอย่างไรเขามองไปที่ดวงจันทร์ที่ส่องสว่างและหวังว่าจะมีคำตอบให้กับเขาวันต่อมาชายชรามาที่พระราชวังพระราชามองชายชราหัวจรดเท้าและสงสัยว่าเขา ต้องการอะไรฝ้าบาทเป็นเกียรติที่ได้พบท่านข้ามาที่นี่เพื่อถามถ้าหากท่านเป็นพระราชาได้โปรดมอบทองเล็กน้อยให้แก่กข้าแค่วันนี้เท่านั้นและข้าจะไม่ขอสิ่งใดอีกอืมชายคนนี้มาด้วยชุดผ้าขี้เหลวสกปรกและเขาก็พูดเหมือนคุณ น, นางเป็นไปได้อย่างไรกันประชาชนที่รัก ใครสอนเจ้าให้พูดได้ดีเช่นนี้ลูกสาวข้าสอนให้ข้าพูดเช่นนี้นางบอกว่าคำพูดนั้นเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเราทุกคนนางเป็นคนฉลาดและข้าก็ไม่มีสิ่งใดหากไม่มีนางงั้นให้ข้าทดสอบว่านางฉลาดแค่ไหนนำไขเหล่านี้ไปให้นางและให้นางฟักพวกมันถ้านางทำสำเร็จเจ้าจะได้รางวัลแต่หากนางฟักไข่ไม่ได้เจ้า ต้องงถูกลโทชายชารารู้สึกสิ้นหวังเขากลับมาที่กระท่อมอย่างหน้าเศร้าและบอกทุกอย่างให้กับลูกสาวฟังลูกรักเราจะทำยังไงดีนี่คือตะกร้าขไข่ที่พระราชามอบให้ทำไมนะไข่พวกนี้เป็นไข่ต้มพวกมันฟักไม่ได้อะไรนะงั้นพวกเราต้องถูกลงโทษแน่ๆน่ ไม่ต้องห่วงหรอกท่านพ่อไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะค้นหาคำตอบสำหรับเรื่องนี้เองชายชลาไปพักผ่อนปล่อยให้เลลาคิดเกี่ยวกับใครในตอนเย็นเลลาเข้าไปคุยกับพ่อที่กำลังวิตกกังวลอย่างมากพ่อคะฟังที่หนูพูดนะนำถั่วต้มเหล่านี้ไปปลูกในไร่เมื่อพระราชาผ่านมาตะคนให้ดังว่าอ้ ทั่วต้มเติบโตขึ้นต้องเก็บเกี่ยวได้ดีแน่นอนเลยและเมื่อเขาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกเขาว่ามันเป็นไปได้เหมือนกับที่ไก่จะฟักออกมาจากไข่ต้มได้ชายชราทำตาคคำแนะนำและเมื่อเขาเริ่มไถทุ่งไร่พระราชาบนหลังม้าได้ผ่านมาเมื่อชายชราเห็นเขาจึงได้ตะโกนขึ้นว่าโอ้ทั่วต้มเติบโตขึ้นมาได้ต้องเก็บเกี่ยวได้ดีแน่ พระราชาประหลาดใจที่ได้ยินเช่นนั้นเขาหยุดม้าและเรียกชายชราบอกข้ามาเป็นไปได้ยังไงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทั่วต้มมันเป็นไปไม่ได้โอ้แต่มันเป็นไปได้ฝ่าบาทเป็นไปได้เพอาพากับที่ไก่สามารถฟักออกมาได้จากไข่ต้มพระราชาพงะเล็กน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นเขาคาดว่าต้องเป็นฝีมือของลูกสาวของชายชราแน่นอนดีมาก จงนำต้นปอเหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็นเชือกและใบเรือกับสิ่งที่จําเป็นบนเรือถ้าเจ้าทําไม่ได้แล้วก็เจ้าจะถูกลงโทษชายชรากลับมาบ้านด้วยความเศร้ามากในครั้งนี้เขาบอกเรื่องทั้งหมดให้กับลูกสาวฟังอีกครั้งอืมไม่ต้องห่วงท่านพ่อทุกอย่างจะต้องดีขึ้นดึกมากแล้วไปพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้เราจะได้คําตอบวันต่อมาเลลามอบเศษไม้เล็กๆ ให้กับพ่อของเขานําสิ่งนี้ไปให้พระราชาและบอกเขาว่าหากท่านสามารถตัดและล้อหมุนจักสามารถทอผ้าจากมันได้ข้าจะยอมทําทุกอย่างที่เขาต้องการจากข้าเลยดังนั้นชัยเทราจึงไปหาพระราชาและบอกสิ่งที่เลล่าบอกมาลูกสาวของเจ้าฉลาดมากแต่ข้าไม่ยอมแพ้หรอกนาถ้วยนี้ไปและบอกให้นางทําทะเลให้ว่างเปล่าเหมือนทุ่งนาทํามันซะ ไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่มีชีวิตถึงพรุ่งนี้ชายชรากลับมาบ้านด้วยความกลัวและถือถ้วยด้วยความระมัดระวังน้ำตาเขาไหลขณะพูดกับลูกสาวเหล่าพระราชาได้มาเลืองที่อยากที่สุดมาเขาบอกว่าเจ้าต้องทำให้ทะเลว่างเปล่าด้วยถ้วยเดียวช่างเป็นถ้วยที่งดงามงั้นก็ได้นะข้าใช้คาตอบกับพระราชาในสิ้นวัน ไม่ต้องกลัวพอ่อไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับเราได้หรอกนะวันนั้นเ ล, ลาไปพบพระราชาในวงังด้วยตัวเองพระราชาทรงประหลาดใจในความงามของเธอเจ้ามาที่นี่เพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ใช่หรือไม่ไม่ทั้งหมดเลยฝ่าบาทข้ามาเพื่อถามว่าท่านจะมีความเมตตาช่วยปิดกั้นแม่ น, น้ำและลำธารทั้งหมดที่ไหลลงสู่ทะเลได้หรือไม่ข้าจะได้ทาให้ทะเลว่างเปล่า พระราชารู้สึกทึ่งในความฉลาดของหญิงสาวเจ้าทำได้ดีในงานที่ข้ามอบให้ทั้งหมดแต่ให้ข้าถามคำถามเจ้าและมาดูว่าเจ้าตอบได้ดีเพียงใดตอบข้ามาสิ่งที่ไกลที่สุดที่คนได้ยินคืออะไรฟาบาดสิ่งที่ไกลที่สุดที่คนได้ยินคือเสียงฟ้าร้องและคําโกหกอืมเจ้าตอบถูกงั้นตอบข้ามา นวดคราวของข้ามีราคาเพียงใดนวดคราวของท่านดูดีมากฝ่าบาทมันมีค่าสามวันในวันฝนตกของฤดูร้อนคำตอบของเจ้าทางม่ค้ามีความสุขมากเจ้าอาจเป็นเจ้าหญิงที่ฉลาดที่สุดในอาณาจักรของข้าข้าจะรักษาสัญญาและมอบทองแก่พ่อของเจ้ามากเท่าที่เขาปรารถนาอ๋อขอบพระคุณมากฝ่าบาทท่านช่างมีเมตตาแต่ข้าอยากให้เจ้าเป็นราชินีของข้า เจ้าจะแต่งงานกับข้าและอยู่ในวังกับข้าได้ไหมเลเล่าไม่ได้ให้คำตอบในทันทีและเธอเริ่มคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พระราชาบอกเธอฟาบาท…ข้ายินดีมากที่จะแต่งงานกับท่านแต่ท่านจะต้องสัญญากับข้าเรื่องหนึ่งซะก่อนได้แน่นอนมันคือสิ่งใดท่านต้องสัญญากับข้าว่าหากวันใดท่านโกรธข้าและข้าต้องจากไป ข้าจะได้รับอนุญาตให้นําสิ่งที่ข้ารักสิ่งหนึ่งออกจากวังด้วยนี่หรือที่เจ้าปรารถนางั้นข้าตกลงพระราชาและเลเลา่าแต่งงานกันในวันรุ่งขึ้นงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พวกเขารักกันอย่างสุดซึง้งและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อพระราชาอายุมากขึ้นเขาก็อารมณ์เสียบ่อยขึ้นเขาดุด่าคนรับใช้และวันหนึ่งเขาก็ได้ทะเลาะ ับราชิดีอย่างรุนแรงเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดเกินไปสหรับข้าหรอข้าเหนื่อยแล้วกับเจ้าออกไปจากวังนี้และกลับไปยังที่ที่เจ้ามาตามที่ท่านต้องการฝ่าบาทแต่ท่านจะดื่มกับข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมหลังจากนั้นข้าจะไปจากที่นี่และไม่กลับมาอีกแต่เลล่าสยานอนหลับลงไปในเครื่องดื่มของเขาในขณะที่ดื่มพระราชาได้นอนหลับสนิทเธอพาพระราชามาที่กระท่อมเก่าแก่ ที่สุดโสมเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาตกใจที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่วังเขาเห็นเลล่านั่งอยู่ข้างเขาและรู้สึกโกรธมากเจ้าพาข้ามาที่ไหนเจ้าหญิงน่ารังเกียจเจ้าจะต้องรับโทษโทษฐานลักพาตัวพระราชานิโปรดอย่ากโกรธข้าเลยท่านเคยจำได้หรือไม่ที่ท่านให้สัญญาแก่ข้าเมื่อใดที่ท่านบอกให้ออกจากวังข้าได้รับอนุญาตให้นาสิทธิรักสิ่งหนึ่งออกจากวังได้ และตอนนี้ข้ารักท่านมากข้าจึงพาท่านมากับข้าด้วยพระราชารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทํากับเลลาตอนนี้เขารู้แล้วว่าเ ล, ล่ารักเขามากเพียงใดยกโทษให้ข้าด้วยที่รนะักข้าเป็นพระราชาที่โชคดีที่สุดที่ได้แต่งงานกับหยินที่ฉลาดและงดงามอย่างเจ้าพระราชากลับมาที่วังกับราชินีของเขาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยและถ้าหากพวกเขาทํา ราชนีเขาจะอยู่ที่เนินเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง